สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านนะคะบีกลับมาแล้วค่ะกลับมาพร้อมกับเสียงแอร์ดังๆแบบนี้เนะคยะถือว่าเป็นเพจจริงค่ะเพจพระเจอผีแล้วก็แชแนลบน YouTube พระเจอผีนะคะวันนี้บีมีเรื่องเล่านะคะจากทางด้านของคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะ เป็นเรื่องที่ส่งมาทางเพจพระเจอผีนะคะบอกว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่ได้เจอกับผีหรือว่าสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีเป็นบ้านของแม่ในเรื่องทุกคนจะพูดอีสานแต่ว่าขออนุญาตพิมพ์เป็นภาษากลางเริ่มเรื่องเลยก็แล้วกันก็คือตอนนั้นเนี่ยเรียนอยู่ม .2 ตอนนั้นเรียนที่โรงเรียนเนี่ยก็จะมีการเข้าค่ายก็ต้องไปเข้าค่ายกับโรงเรีย น, นะคะ่ะสอคืนนะคะสคืนสามวันแต่ว่าเรื่องมันไม่ได้เกิดที่ค่ายหลังจากที่เข้าค่ายเสร็จก็กลับมาที่โรงเรียนตอนนั้นเนี่ยกลับจากการไปเข้าค่ายก็กว่าจะถึงโรงเรียนก็เย็นแล้วนะคะประมาณหกโมงเย็นค่ะเกือบเกือบจะหนึ่งทุ่มก็เลยเดินทางกลับบ้าน ระหว่างที่เดินทางกลับบ้านเนี่ยก็ไปเจอป้าที่รู้จักกันคนหนึ่งเมื่อไปเจอป้าคนนี้แล้วเนี่ยผมก็ยกมือไหว้แกก็บอกสวัสดีครับแกชื่อป้าตุ่มนะแกก็รับไหว้ก็ยืนร้องไห้อยู่ตามทางเดินก็เลยถามแกไปบอกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าป้าตุ่มป้าแกก็พูดเหมือนเพ้อเพอว่าลูกหลานแกเนี่ยแม่รักแกทิ้งแกไปกันหมดเลยแต่ก็ด้วยความที่เป็นเด็กก็เลยคิดว่าเออคงพูดแล้วก็ช่วยอะไรแกได้ไม่มากก็เลยบอกป้าแกไปบอกว่าสู้ๆนะคะป้า ผมก็เลยเดินทางกลับเข้าบ้านก็ไปเจอแม่กับพ่อกับน้องอยู่ที่บ้านอยู่แล้วแต่ว่าน้องคนที่สามนี่คือไม่อยู่คนที่เล่าเรื่องเนี่เป็นพี่คนโตมีน้อง3ามคนนะคะเรื่องเกิดขึ้นกับน้องสาวคนที่3มชื่อแพร ى. ตอนนั้นแพรเรียนอยู่ชั้นปสามผมขึ้นบ้านมาแม่ก็พูดว่าเพลิงกลับมาแล้วเหรอลูกตอนเดินเข้ามานี่เห็นแพรไหมน้องมันเดินออกไปซื้อขนมแล้วก็บอกว่าจะไปรอเพลิงนะ่ะสักพักแล้วนะ น่าจะกลับมาได้แล้วแม่ก็ถามทีนี้คุณเพลิงที่เป็นเจ้าของเรื่องก็บอกผมไม่เห็นนะแม่แต่แม่ก็พูดว่าเออสงสัยจะแวะเล่นกับเพื่อนละมัง่งแต่เดี๋ยวก็คงเข้ามานี่ก็จะทุ่มหนึ่งแล้วน้องก็ยังไม่มาคุณเพลิงบอกผมก็เป็นห่วงน้องก็เลยเดินออกไปตามหา พอเดินไปตามทางเดินเดิมเนี่ยก็ยังเห็นป้ตุ่มก็ยืนร้องไห้ายอยู่เหมือนเดิมก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นห่วงน้องก็เลยถามป้ตุ่มบอกเห็นแพรไหมบอกป้าปตุ่มแกก็บอกว่าไม่เห็นคือพูดสั้นๆคําเดียวนะคะคุณเพลิงก็เลยบอกว่าด้วยความที่เป็นห่วงก็เลยวิ่งไปที่ร้านค้าที่แพรเนี่ยซื้อขนมอยู่แล้วก็อบอกว่าน้องเนี่ยกลับไปแล้วนะด้วยความที่เป็นห่วงน้อง ก็เลยรีบวิ่งเข้าบ้านแต่ว่าป้าตุ่มค่ะคนเดิมก็ยังคือยืนร้องห้าอยู่ที่เดิมแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็วิ่งเข้าบ้านอย่างเร็วแล้วก็บอกพ่อกับแม่บอกว่าไม่เห็นน้องนะพ่อแม่ก็ตกใจหน้าตื่นแล้วค่ะทีนี้เพราะว่ากลัวว่าน้องเนี่ยจะโดนจับตัวไปเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยมันชอบมีข่าวรถตู้ลักพาตัวเด็กกําลังดังเลยแหละค่ะก็เลยรีบออกเดินทางตามหาน้องกันคุณเพลิงก็วิ่งตามออกไปตามหาน้องเหมือนกันแต่ว่าแปลกนะ ตอนเดินออกมาพ่อกับแม่ไม่พูดกับป้าตุ่มหรือว่าคุยกับเขาทั้งๆ ท, ท, ที่เขาก็ยืนอยู่พ่อกับแม่ก็เดินผ่านไปแต่บอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีใครสนใจป้าตุ่มแล้วเป็นห่วงน้องมากกว่าหาน้องยังไงก็หากันไม่เจอละค่ะญาติพี่น้องก็ออกกันช่วยกันตามหาจนจะสี่ทุ่มมีคุณยายคุณยายของคุณเพลิงท่านก็บอกพ่อกับแม่ว่าแพรอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้แต่ว่าโดนผีบังตาอยู่ก็เลยหาไม่เจอ พอได้ยินยายพูดแบบนั้นเนี่ยขนลุกเลยละะ่ะค่ะยายก็บอกให้แม่เนี่ยไปจุดธูปแล้วก็ไปไหว้กลางแจ้งแล้วก็ให้บอกกล่าวขอเจ้าที่เจ้าทางให้ช่วยเปิดทางให้ผีที่บังตาอยู่เนี่ยปล่อยแพรออกมาพอแม่ไหว้เจ้าที่เสร็จก็เดินตามหากันหญิกรอบค่ะทุกคนเดินตามหากันไปแล้วก็เรียกชื่อแพรไปด้วยจังหวะที่เดินไปเนี่ยค่ะนาของคุณเพลิงเนี่ยแกก็ฉายไฟฉายไปตรงทางเดินค่ะทางเดินตรงนี้นี่จะมีกำแพงอยู่ แพรนั่งร้องไห้ยอยู่ตรงข้างกำแพงนาตะโกนด้วยความตกใจบอกเฮ้ย <"He i, S 1> เจอแพรแล้วแพรมานั่งร้องไห้ทําไมตรงนี้เนี่ยพอแพรที่นั่งก้มหน้าร้องไห้อยู่ได้ยินเสียงนาะแพรก็ปล่อยเสียงร้องออกมาเต็มที่เลยล่ะแล้วก็วิ่งมากอดแม่พอถึงตรงนี้ทุกคนก็ดีใจแล้วก็หายเป็นห่วงก็ขอบอกขอบใจพวกญาติพี่น้องที่มาช่วยกันตามหาแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันนคะคะพอมาถึงบ้านแม่ก็ยังไม่ถามแพรนะเพราะคิดว่าน้องนีงน่ยังตกใจอ ย, อยู่ ส่วนแพรเองนะคะพอถึงหัวถึงหมอนนี่ก็หลับเป็นตายเลยล่ะะก็คงจะเพลียจากการร้องไห้พ่อกับแม่ก็นั่งคุยกันแม่ก็ถามว่าทําไมเดินไปเดินมาผ่านตรงนั้นไม่เห็นน้องคุณเพลิงบอกว่าไม่เห็นจริงๆนะแม่ป้าตุ่มก็ยืนอยู่ผมยังถามป้าตุ่มแกเลยแกบอกว่าไม่เห็นพอถึงตรงนี้ค่ะทุกคนคงรู้แล้วนะคะแม่ทําหน้าสงสัยพร้อมตกใจนิดๆแล้วถามว่าใครนะคุณเพลิงก็เลยบอกย้ําอีกครั้งหนึ่งบอกป้าตุ่มแม่ แม่กับพ่อมองหน้ากันด้วยสีหน้าตื่นตื่นแล้วก็บอกว่าป้ตุ่มนะ่ะแกตายหลายวันแล้วนะเมื่อคืนพ่อกับแม่ยังไปฟังพระสวดที่งานศพแกมาอยู่เลยแกจมน้ําตายไม่มีใครรู้จนศพแกลอยขึ้นมาเมื่อ2วันนี้แล้วเพราะว่าลูกหลานแกก็แยกย้ายไปอยู่ที่อื่นหมดทิ้งแกอยู่บ้านคนเดียวนานๆถึงจะมาเยี่ยมทีมาหาแกบ้างแล้วแกก็คงจะน้อยใจนั่นแหละก็เลยไปโดดน้ําฆ่าตัวตายคุณแม่พูดแบบนี้คุณเพลิงก็เข้าไปในค่ายก็เลยไม่รู้ว่าป้ตุ่มเนี่ยแกตาย ตกใจสิฮะทีนี้พูดอะไรไม่ออกได้แต่บอกว่าอ้าวแล้วที่เห็นละ่ะพอก็เลยบอกว่ า, าก็ผีไงจะอะไรละ่ะพอก็เลยบอกว่าเออน่าจะเป็นผีประตุ่มนี่แหละนะที่ไปบังไอ้แพรไว้นะคะทำให้คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็น ซึ่งคุณพ่อเองก็บ่นไปแล้วก็โมโหให้กับผีของป้ตุ่มนิดนิดแหละนะคะคุณเพิงบอกว่าอาการกลัวผีที่เคยเป็นมันก็เลยกลับมาอีกค่ะทีนี้กลัวมากคืนนั้นเลยได้มานอนกันครบในห้องเดียวกันพ่อแม่ลูกพอเช้ามานะคะพ่อกับแม่ก็เลยพาน้องเนี่ยไปอาบน้ำมนต์แล้วก็พระท่านก็ผูกสายสินให้คุณเพิงแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะก็ได้รับสายสินที่ข้อมือกันหมดพ่อกลับมาบ้านแม่กับพ่อก็พูดกับแพรว่าไหนเล่าให้พ่อฟังซิว่าเกิดอะไรขึ้น น้องแพรเองเนะคะซึ่งเป็นน้องของคุณเพลิงเจ้าของเรื่องค่ะก็บอกว่าหลังจากที่แพรเนี่ยซื้อขนมเสร็จก็เดินเข้าบ้านแล้วป้าแก่ๆคนนึงแกบอกว่าพี่เพลิงกําลังเดินมาให้แพรนั่งกินขนมรอตรงนี้เดี๋ยวป้าจะนั่งรอเป็นเพื่อนนะแพรก็เชื่อค่ะก็นั่งกินขนมรอแพร บ, บอกว่าเห็นผมยืนคุยกับป้าประอากับป้านะแพรจะเดินตามมาแต่ว่าเดินตามมาไม่ได้เพราะน้องบอกว่าเหมือนเห็นคนเหมือนเห็นคุ ณ, ค, ณคุณเพลิงเนี่ยเดินหายเข้าไปในความมืด ปตุ่มแกหันมาพูดกับแพรว่าเดี๋ยวป้าพาไปเล่นน้ําแล้วก็ยิ้มให้กับแพรด้วยสีหน้าแบบมีเลือสไนค์ค่ะแต่ว่าแกเดินไปไม่ได้เพราะว่าทางที่จะไปหนองน้ํานั้นเนี่ยมันมีลุงแก่ๆคนหนึงใส่ชุดสีขาวคือยืนทําหน้าขึงขังมองมาที่ปตุ่มคือแกจะพาน้องไปจมน้ําตายประมาณนั้นแหละเนีค่ะส่วนคนที่ไม่ให้ป้ตุ่มไปก็น่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางตรงนั้นน้องแพรบอกกลัวมากค่ะแต่ว่าทําอะไรหรือไปไหนไม่ได้ก็เลยนั่งร้องไห้ตรงนั้น ก็เห็นคุณเพลิงวิ่งผ่านไปผ่านมาเห็นพ่อเห็นแม่แต่เรียกก็ไม่มีใครได้ยินจนได้ยินเสียงนานั่นแหละแพรเล่าให้ฟังว่าแล้วอยู่ๆยายของคุณคุณเพลิงเนี่ยก็พูดว่าอีตุ่มเอ้ยตายไปคนเดียวไม่พอยังจะมาเอาหลานกูไปด้วยนะมึงยายพูดด้วยความโมโหค่ะส่วนคุณเพลิงก็คิดในใจบอกสงสารแกนะครับไม่มีใครดูแลลูกหลานปล่อยทิ้งไว้ ก็คงจะมีปมอะไรบางอย่างในใจถึงอยากจะเอาน้องไปอยู่ด้วยเข้ามาอีกกี่วันแม่ก็พาไปทําบุญอุที่ส่วนกุศลให้ป้าแกแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยเห็นป้าตุ่มแกอีกเลยก็จบแล้วครับนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เคยพูดไว้ว่าน่าสงสารผีผีน่าสงสารเอ๊จะตั้งชื่อเรื่องอยังไงแล้วก็เป็นอีกเรื่องที่คิดว่าน่ากลัวแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ได้เจอไว้จะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับปอลลรบกวนพี่บีตั้งชื่อเรื่องให้ด้วยมันเป็นปัญหาโลกแตกเลยนะ ส่งเรื่องมาแล้วก็ไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องให้ด้วยเนี่ยเอาเป็นว่าชื่อเรื่องสั้นๆแต่ว่าจำได้ง่ายๆละกันนะคะกับเรื่องนี้ที่คุณเพลิงส่งเข้ามาทางแฟนเพจบน a c e b o o k พระเจอผีนะคะกับเรื่องป้าตุ่มค่ะมีเรื่องเล่าทางบ้านอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่ถูกส่งมาจาก f a c e b o o k ที่ชื่อก็คนมันหัวใจคลาสสิกนะคะ เป็นเรื่องที่ส่งเข้ามาในแฟนเพจเรื่องเล่านี้ย้อนกลับไปประมาณ20ปีครับตอนนี้ผมอายุ29ตอนนั้นก็9ขวบโดยประมาณช่วงนั้นเป็นช่วงฤ ด, ดูการเก็บเกี่ยวข้าวหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ต้องมัดข้าวแล้วก็ขนมากองรวมกันไว้ที่ลานข้าวโดยใช้ผ้าเขียวนะคะถ้าเป็นบ้านของบีเองจะเรียกว่าแพงแง่ง คุณผู้ฟังรู้จักคําว่าแพร่งแง่งไหมที่มันจะเป็นสีเขียวๆตาข่ยขายเล็กๆ ๆ, ๆๆๆๆนะคะเอามาทําเป็นลานซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเอาขี้ควายถูกไหมคะเอาขี้ควายเอ า, อามะโปะตาำดินนะคะแล้วก็เหยียบเๆยียบเยียบเียบให้มันเป็นก้อนอให้มันแบบเป็นลาบเรียบแล้วก็พอมันแข็งตัวแล้วข้าวเนี่ยมันก็จะไม่ไปไหนเนะะี่ยเม็ดข้าวที่เราตีที่เรานวดนี่แหละนะคะทีนี้กลับมาที่เรื่องเล่าเรื่องนี้ค่ะ คือเอาข้าวที่มัดรวมกันแล้วก็ขนมาไว้ที่ลานข้าวโดยใช้ผ้าเขียวปูรองพื้นมารวมกันไว้หลังจากรวมไว้ที่ลานก็ต้องมีการนอนเฝ้าเพื่อรอคิวรถสีข้าวที่นัดไว้แล้วในคืนนั้นค่ะคุณก็คนมันหัวใจคลาดสิเนี่ยก็ได้เจอกับเหตุการณ์นี้ซึ่งในวันนั้นผมได้กลับไปที่บ้านเกิดของแม่ที่อาเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งปกติแล้วจะอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะคะก็พ่อมาทำงานวันนั้นก็เลยได้ทราบว่าที่บ้านแม่จะสีข้าวซึ่งมันเป็นวันศุกร์พอดีก็เลยเตรียมตัวที่จะไปนอนที่บ้านแม่กันหลังจากพ่อเลิกงานแล้วก็เดินทางมาถึงประมาณ6โมงเย็นค่ะที่บ้านของคุณแม่เนี่ยก็เจอลุงกับป้าที่รออยู่ ซึ่งเจ้าของเรื่องนะคะก็บอกว่าผมเองเนี่ยก็ออกไปกับลุงที่ทุ่งนาก็เดินกันไปกับลุงตามทางเดินซึ่งทางเดินเนี่ยมันจะเป็นทางน้ำไหลเมื่อฝนตกแล้วเนี่ยมันจะมีทางน้ำที่จะเป็นทางผ่านเข้าไปหลังวัดเพื่อลงบ่อน้ำหมู่บ้านเดินกันไปประมาณ1กิโลเมตรค่ะก็ถึงกระท่อมหรือว่าเถียงนาหละนะคะก่อนจะถึงทุ่งนาของเจ้าของเรื่องเนี่ยก็จะเป็นสีแยกนะคะจะติดกับป่าช้าซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังใช้อยู่ ที่วัดใช้คือในวัดที่บ้านแม่ยังไม่มีเมนเผาศพผ่าก็โคก็คือใช้ป่าช้านี่แหละนะคะแล้วก็เผาแบบกองฟอนตรงสีแยกทางขวามือคือป่าช้าแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเข้าทุ่งนานะคะเจ้าของเรื่องก็ตรงไปค่ะไปที่นาคนอื่นก่อนหลังจากที่ถึงแล้วคุณลุงก็พาไปที่เถียงนาแล้วก็พาไปหาหนูหนากับเพื่อนๆ น, น้องๆของลุง ก็เดินถือไฟฉายกันไปส่องแสงให้เห็นความสว่างนะค ะ, ะแล้วก็ไปจับหนูหนาเนี่ยพอกินกันทุกคนแล้วก็แบ่งกันแล้วก็นํากลับมาเก็บไว้เพื่อทําอาหารในวันต่อไปค่ะทีนี้กลับมาถึงกระท่อมทุ่งนาเจ้าของเรื่องกับคุณลุงก็เวลาก็ปลาเข้าไป3ามสี่ทุ่มละลุงก็พานอนทีนี้นอนไปสักพักก็รู้สึกตัวว่ามันปวดเฉียนะคะแต่ว่าลุงเนี่ยยังไม่นอนนะ ก็ยังคงเดินเดินรอบทุ่งนาตัวเองหาหนูเพิ่มปากก็ร้องเรียกลุงตามระเบียบนะคะเพราะว่าไม่กล้าไปฉี่คนเดียวค่ะกลัวพวกงูพวกอะไรอย่างเงี้ยพอฉี่เสร็จแล้วก็กลับมานอนต่อค่ะลุงก็มานอนด้วยก็ยังไม่หลับนะคะเพราะว่าหลับไปก่อนหน้านี้ก็เลยนอนยากหน่อยนึงสักพักหนึ่งค่ะน่าจะประมาณตีหนึ่งตีสองกะเอาเนะะีคะเพราะว่าไม่มีนาฬิกาก็ได้ยินเสียงคนพูดคุยกันหลายคนเสียงเบาๆมันเป็นเสียงแแวๆมานะะีคะสักพักก็ดังขึ้นเรื่อยๆ แต่ด้วยความสงสัยก็เลยผุดลุกขึ้นนั่งค่ะมองหาที่มาของเสียงก็ได้เห็นว่ามีกลุ่มคนเนี่ยเดินมาจากท้ายวัดน่าจะประมาณ10คนเนะคะเดินถือไฟตะเกียงตามกันมาพร้อมพูดคุยกันไปแต่ฟังไม่ออกค่ะว่าคุยอะไรกันไฟตะเกียงน่าจะมี3ามดวงนะด้วยความที่มันมืดหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เงาที่เดินมานั้นจะเป็นเงามืดๆรูปร่างก็คือเป็นคนเรานี่แหละค่ะแต่ว่ามองไม่เห็นสีผ้าของคนที่เดินมาเลย ทั้งๆ ท, ที่ในมือของกลุ่มคนที่เดินมาเนี่ยก็มีแสงไฟอยู่ส่องความาส่องให้สว่างได้อยู่แต่ก็มองไม่เห็นเสื้อผ้านะคะว่าใส่เสื้อผ้าสีอะไรเห็นเป็นแค่เงาดํา<ำ>ๆ<ำ>ก็พอรู้ว่าเป็นคนแหละนะคะทีนี้เนี่ยพอเดินเข้ามาใกล้ถึง4ี่แยกค่ะตัวเจ้าของเรื่องก็ได้ปลุกลุงที่นอนอยู่ข้า ง, างด้วยความสงสัยเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้นึกถึงเรื่องอะไรทํานองนั้นเลยนะคะคิดว่าคนในหมู่บ้านนี่แหละเดินออกมากันจากสี่แยกถึงกระท่อมที่นอนก็ไม่ได้ห่างกันมากนะัก น่าจะไม่เกิน50เมตรหลังจากที่ถามลุงลุงก็รีบบอกให้นอนลงไม่ให้ส่งเสียงก็เลยทำตามและก็คิดว่าเออเขาเดินแห่อะไรกันที่ผมมองเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงนั้นมันเป็นเหมือนกับกําลังแห่อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นเสียงร้องแบบเหมือนหมอลำแล้วก็มีคนร้องขานรับแบบยิ้วอะไรประมาณนี้ก่อนที่จะนอนลงค่ะเจ้าของเรื่องบอก ผมก็เห็นดวงไฟนั้นเลี้ยวขวาเข้าไปที่ป่าช้าแล้วเสียงก็ดังเบาลงเบาลงทั้งเสียงเดินเสียงคนร้องก็หายไปแล้วก็หลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จนถึงเช้าลุงกับผมก็เดินออก าจากทุ่งนาเนี่ยนะคะคือเดินลัดไปตามคันนาเข้าหมู่บ้านคือไม่เหมือนขาขามานะที่เดินตามทางน้ำไหลพอมาถึงบ้านก็มีงานคือยายแถวแถวบ้านนี่แหละเขาได้เสียชีวิตลงเมื่อคืนนี้เองค่ะลุงก็เล่าเรื่องที่ผมบอกลุงเมื่อคือนว่ามีคนเดินมาที่ป่าช้าให้ฟังมีคนถามเยอะเลยแล้วก็เล่าที่เจอเนี่ยเล่าเรื่องที่เจอให้พวกพี่ป้านานะอาได้ฟังแถวแถวบ้านนั้นฟังซึ่งทุกคนก็ ฟังแบบตั้งอกตั้งใจกันเลยทีเดียวเนี่ยค่ะ เรื่องก็มีประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับเรื่องพวกนี้ชื่อเรื่องเอาเป็นชื่อขบวนแห่ต้อนรับละกันเนาะเพราะว่าที่บ้านแม่เขาได้ยินผมเล่าให้เขาฟังเขาก็ว่าน่าจะเป็นผีที่ป่าช้านั่นแหละเขาออกมารับวิญญาณคนที่ตายเพื่อมาอยู่ด้วยกันเรียบเรียงคําพูดไม่สวยไม่ถูกก็นําไปเรียบเรียงใหม่ดูนะครับผมนํารูปภาพมาให้ดูคร่าวๆด้วยนี่เป็นแมปด้วยนะคะคุณผู้ฟังเท่าที่บีนั่งดูอยู่เนี่ยอ๋อป่าช้าอยู่ตรงบริเวณนี้นี่เองนะคะขอบคุณเจ้าของเรื่อง จาก Facebook ก็คนมันหัวใจคลาสสิกด้วยนะคะกับเรื่องขบวนแห่ต้อนรับพูดถึงเรื่องขบวนแห่ต้อนรับคุณผู้ฟังทักใครที่อยู่จังหวัดยโสธร น, นะคะอำเภอป่าติว้วอําเภอกุดชุมหรือว่าอำเภอเมืองย่นๆมาทางจะไปอำนาจเจริญแล้วเนี่ยน่าจะรู้จักนะคะกับบ้านหนองแค่เป็นบ้านเกิดของบีเองแต่ว่าบีจะอยู่บ้านหนองถมจังหวัดยโสธร น, นะคะอำเภอเมืองนะคะบ้านหนองแคเนี่จะเป็นทุ่งนาเก่าของบีซึ่งมันจะติดกับป่าช้าเรื่องคล้ายคลึงกันนี่แหละ ติดกับป่าช้าแล้วนะตอนนั้นเนี่ยมันมีโครงการสะสมัชชาคุณผู้ฟังน่าจะรู้จักสะสมัชชาที่แบบว่าทางการเขาจะมาขุดสะให้ทุ่งนาละอ่าอ่าหนึ่งหลังนะคะสะหนึ่งหลังอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าเขาจะไปขุดกันแถวป่าช้า พูดผีปีศาจตอนกลางคืนนี่หูแ ห, ลแหล่ลูกแห่หลานอุ้มลูกอุ้มหลานหนีกันร้องไห้ระงมบอกว่ากลัวกุ จ, จีเหลืองอย่างนี้กลัวรถมันเอามาตักอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดประมาณนี้แหละนะอันนี้ก็ได้ยินพ่อเล่าให้ฟังบางคนนะก็จะได้ยินเสียงแบบค่ำลงตอนเย็นๆเนี่ยโพเพสพระอาทิตย์กำลังจะลงจัดยอ ด, ไ ม, ดไม้ลงดินบ้างไม่ลงดินบ้างคือแบบกาลังโพเพอยู่เนี่ยนะคะ มันจะมีเสียงคนทำกับข้าวเสียงคุยกันเจาะแจ๊ดจอแจอดังออกมาจากป่าช้าแล้วก็มีกลิ่นหอมเลย บางทีก็เป็นกลิ่นน้ำปลาบางทีก็เป็นกลิ่นกับข้าวมีเสียงวัวเสียงควายปุ้งนีทั้งทางที่ความเป็นจริงแล้วคือณนะบริเวณนั้นมันเป็นป่ามันไม่มีบ้านคนแล้วมันก็ไม่มีทุ่งนาอกลรด้วยเรื่องนี้คล้ายคลึงกันนะคะซึ่งบีเชื่อร0อเรนะเรื่องนี้เนี่ยว่าเป็นเรื่องจริงนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณสำหรับเจ้าของเรื่องที่ส่งเข้ามาให้เราได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยค่ะ มาทิ้งท้ายเรื่องเล่าจากทางบ้านอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องเล่าจากคุณเด่นฟิวชั่นพังงานนะคะที่ส่งเข้ามาทางแฟนเพจค่ะบอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ภูเก็ตเมื่อปี 2,542 นานแล้วที่เราไม่ได้หยุดงานเพราะว่างานที่เราทำกันเนี่ยผู้รับเหมาเขาเร่งงานให้เสร็จก่อนสิ้นปี 2,542 ทันทีที่ ท, ทราบเรื่องการจบงานผมกับนัดก็เลยคุยกันเพื่อแนะนำกันว่าในวันหยุดเนี่ยจะได้ไปพักกันนี้เราจะตกลงไปตกปลากันปลาทรายกันที่แหลมชันเกาะซิเรนะคะเวลาประมาณบ่าย3มที่ระอุ ด, ด้วยแดดลมบ่ายที่ร้อนลุ่มแต่ละวูบที่วาบมากระทบหน้านี่มันเร่งเร้อซอกจกักระแอที่ชุ่มเหงื่อให้ลื่นแล้วก็เมือกยิ่งขึ้นหูเห็นภาพเลยคุณผู้ฟังเสียงซาเลงค่ะ กุกกักเกร็งๆอย่างเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์เลยนะคะมันตบท้ายด้วยเสียงเอี๊ยดของเบรกที่เหมาะแก่การเปลี่ยนใหม่น่าจะหยอดน้ํามันก็ได้นะคะดังขึ้นที่หน้าบ้านเนี่ยรู้ทันทีนั่นคือไอ้นัทอ๋อตอนแรกนึกว่ารถขายไอติมก็เลยยกกล่องโฟมขนาดย่อมเนี่ยคืออัดเต็มไปด้วยน้ําแล้วก็น้ําแข็งแล้วก็เหล้า2แบรนด์ไปวางในพ่วงข้างก่อนตามลงไปนั่งขัดสมาธ์เพื่อเดินทางไปยังจุดหมายที่เรา2คนจะไปถึงในอีกไม่ถึงชั่วโมงอ๋ไม่ถึงชั่วโมงข้างหน้า คุณเด่นฟิวชั่นบอกว่าเราแวะเข้าแหลมตุกแกเพื่อซื้อเหยื่อรัดนะคะเหยื่อรัดนี่ก็คือไส้เดือนทะเลค่ะแล้วก็ซื้อมาสองกระป๋องพร้อมกับนมมะลิซึ่งปลาสายนิชอบกินเหยื่อชนิดนี้มากแต่เพราะเวลาเราน้อยปนขี้เกียจขุดหาเมื่อมีทางที่สะดวกผมก็มักเลือกทางนั้นเสมอที่แหลมช้นันไอ้นัดจอดซาเล้งไว้หน้าอู่ต่อเรือยอทของฝรั่งเพราะว่าเราจะต้องเดินเลาะไปตามหินดานแล้วก็หาดทรายต่อไป อีกประมาณ700ถึง800เมตรค่ะคืออันที่จริงเนี่ยคุณนัดบอกว่าเราสามารถขี่มอเตอร์ไซค์เลาะขึ้นภูเขาหลังชายหาดนี้ได้อยู่แต่ว่าซาเล้งของเขาเนี่ยสเตอร์มันหมดนะคะมันก็เลยขึ้นยากหน่อยหนึ่ง ก็คงขึ้นที่ชันแบบนั้นไม่ไหวเหมือนกันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรา2คนต้องแวะยืมเบ็ดไม้ไผ่ด้วยก็เลยเดินเลาะชายหาดกันไปจะดีกว่าผมกับนัดก็เลยพลัดอ่าพลัดกันแบกรังโฟมบนบาเดินมาสักห้าร้อเมตรนัดก็หยุดเดินแล้วก็ชี้ไปยังชายป่าที่มีเพิงเตี้ยมุมสังกสีเพียงแผ่นเดียว2แผ่นบ้างที่เรียงรายเต็มพื้นที่คันเบ็ดไม้ไผ่พร้อมสายแล้วก็ตัวเบ็ดปักอยู่หน้าเพิงนั่นคือเรียงรายอยู่เช่นกัน คุณเด่นบอกว่าผมวางของลงก็รู้สึกงงๆแล้วก็นึกถึงคําว่าอายืมเบ็ดอนาดหันมายิ้มแล้วชี้ไปตามเบ็ดก่อนแล้วก่อนก่อนพูดว่าเอาไอ้เดนมึงเลือกเอาเลยมึงต้องการขนาดไหนแล้วก็อย่าเสือกลืมนะมึงว่ายืมมาจากเพิงไหนมึงหักกิ่งไม้มามาร์กไว้ก็ได้จะได้ชัวร์แล้วก็ไม่ลืมแล้วก็จําได้ด้วยว่าปลาตัวแรกน่ะที่มึงได้น่ะต้องเอามาให้เจ้าของเบ็ด ซึ่งคุณเด่นกับคุณนัทเองเนี่ยนะคะก็เลือกเบ็ดมาคนละอันค่ะคุณผู้ฟังทีนี้คือเลือกอเลือกเบ็ดมาคนละอันแล้วก็เดินทางต่อแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคุณเด่นเป็นคนถือเบ็ดส่วนคุณนัทนี่เป็นคนแบกลงังแล้วก็ไม่ลืมเลยที่จะหาเศษถุงพลาสติกยาวๆมาผูกมาร์คคันเบ็ดเอาไว้กันสลับที่สลับทางกันนะคะในตอนกลางคืนค่ะ ในใจก็ระลึกถึงเจ้าของเบ็ดที่นอนนิ่งอยู่ใต้ดินที่คงลึกไม่เกิน90เซนติมใต้เพิงสังกะสีทิเตียนั่นวันที่ฝนตกกระนำสาดสะหน้าดินไปเยอะหัวไม่โป้งก็จะโผล่ขึ้นมาทักทายเป็นสิริมงคลออกบ่อยไปสําหรับศพใหม่ๆนะไอ้นัดมันพูดบอกว่าเวนแท้ถ้ากูทราบว่ายืมเบ็ดของมันหมายถึงการหยิบเอาของที่สุสานชาวเลแบบนี้มากู ค, คงเอาเบ็ดที่บ้านมาเองดีกว่าผมบน่นหมานนะเมิงมึงเชื่อกูดิ เด่นเฮ้อแบกปลาทรายหลบเรือนกันหอบแน่พอเราเดินมาถึงที่หม า, นหมายนะคะน้ำก็ขึ้นจนแทบจะมิดชายหาดเลยทีเดียวจัดแจงวางสัมภาระไว้บนโขดหินต่างก็แยกมุมกันไปโดยมีเบ็ดแล้วก็เหยื่อคนละกระป๋องค่ะแล้วก็ถุงพลาสติกใส่ปลายัดลงกระเป๋ากางเกงคนละใบเราต่างยืนแช่น้ำประมาณน้องและที่เหมือนกันอีกก็คือทันทีที่หย่อนเหยื่อลงไปไม่นานปลาก็ตอดตึ๊บ สองคนนี่ต่างยกปลายคันขึ้นชี้ฟ้าปลาทรายขนาดขวดริโพก็พลทยานสายเบ็ดขึ้นมาที่เอวของเราเมื่อทำการปลดปลาเรียบร้อยนะคะก็เอาอยางวงสวมไว้ที่เหงือก เพื่อเอาไว้ให้เจ้าของเบ็ดนะคะแล้วก็หย่อนลงถุงพลาสติกที่ผูกเอาผูกไว้กับหูกางเกงยีนตัดขาจากนั้นก็ปรับแต่งเหยื่อที่ยังเหลือหุ้มเบ็ดอยู่แล้วก็หย่อนมันลงไปเบื้องหน้าณนะจุดเดิมเหมือนหนังที่ฉายซ้ำไปซ้ำมาอยู่พักใหญ่จนน้าเริ่มขึ้นมาเกือบถึงสะโพกนะคะจนปลาที่เคียนเอวเนี่ยดิ้นกันคลุกคลักคลุกขลักผมก็เดินมาที่โขดหินเพื่อเทปลาลงดองน้ําแข็งฟ้าเริ่มมืดละแต่ว่าอากาศยังอุ่นอยู่ ต้องขอบคุณไอแดกบนผิวน้ำที่พัดเข้ามานั่นเองทำให้เราไม่หนาวแม้จะยืนแช่กันมาไม่ต่ำกว่าคนละ3ามชั่วโมงค่ะแต่ว่าปลาทรายนี่ยังคงกินเหยื่อแต่ว่าเหยื่อก็จวนจะหมดแล้วประกอบกับแสงแวบว่บเสียงฟ้าร้องฟ้าลั่นคืนคืนมาเป็นช่วงๆคุณเด่นบอกว่าผมก็หันไปตะโกนชวนไอ้นัดกลับก่อนที่ฝนจะเล่นงานไอ้นัดเดินไปที่ชายป่า สาวเถาวันแล้วก็หยิบไม้ขนาดแขนยาวสัก1วาติดมือมาด้วยแล้วก็ผูกลังร้อยไม้เพื่อช่วยกันคอนขึ้นบ่านะคะเพราะว่าน้ำหนักปลาที่เต็มลังเนี่ยคงแบกคนเดียวลำบากมันยกเล่าขึ้นกระดกก่อนจะยื่นมาให้ผมผมก็ผลัดกันกระดกไม่ถึง15นาทีจนเล่าพร่องลงไปเหลืออยู่แค่ก้นขวดก่อนที่คุณนัทเองเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังจะเก็บสแปร์ค่ะสแปร์โดยการเทวาบลงไปในคอของเรานี่แหละ จนเล่าแบนด์นี้นี่คือไม่เหลือแล้วนะคะลมแรงๆที่พัดมาก็เริ่มเย็นขึ้นเย็นขึ้นฝนมาค่ะทีนี้เราก็เดินเลาะชายป่ากันไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางก็ฝ่าความมืดโดยไม่มีการพูดคุยกันเล่าอีกแบนด์ก็ยังคงยื่นข้ามกล่องโฟมตรงกลางอยู่เช่นเดิมต้องขอบคุณไอ้2แบรนด์นี้นะที่ทำให้ใจมันกล้าไม่มากก็น้อยพอกินได้ครึ่งหนึ่งนะคะ ฝนเจ้ากรรมก็กระหน่ำลงมาเหมือนฟ้าร่วจนปากเนี่ยเริ่มสั่นฟันเริ่มขบกันกุกกักุกกแสงไฟวอมแวมออกมาจากแนวป่าทำให้สองคนที่เดินมาอยู่เนี่ยใจชื้นนะคะก็คิดว่าเออน่าจะเป็นคนเฝ้าสู่สารนั่นแหละดีเลยเดี๋ยวเราเอาปลากับเบ็ดไปปักคืนเจ้าของแล้วก็ขอบคุณสักหน่อยก่อนค่อยแวะไปหลบฝนมวนบุหรี่สูบให้ชุ่มปอดนิดนึงค่อยกลับตอนฝนซาหรือว่าขาดเม็ด เลาที่ทําเครื่องหมายกับเบ็ดต่างคนต่างก็คืนเจ้าของค่ะเคยปักยังไงก็ปักลงแบบนั้นระวางปลาตัวแรกที่ได้เนี่ยคนละตัวบนเนินดินติ๊ดๆใต้เพิงต่ําแล้วก็วางเพิ่มอีก4ี่หตัวเป็นติ๊บนะคะที่คันเบ็ดนี้เนี่ยที่ยืมของเจ้าของเขาไปนี่มันช่างหมานดีแท้หน้าแสงไฟตะเกียงค่ะมีผู้ชายชารานีคะอายุประมาณสักหกสิบกว่ า, วานั่งยิ้มรอรับเราอยู่ก่อนแล้วก่อนเอ่ยเสียงแหบพร่า แต่ว่าเป็นกันเองด้วยสำเนียงปากใต้แปลงๆบอกว่ามามืดเลยนะอา้าวนั่งก่อนนั่งก่อนคุณเด่นแล้วก็คุณนัทเนี่ยก็หยิบบุหรี่ ใบจากขึ้นมามวนยัดเข้ามุมปากนะคะแล้วก็ถือวิสาสะยกตะเกียงขึ้นมาจอดจุดแล้วก็สูบจนแก้มตอบเลยเราสาคนคุยกันสัเพเฮระจนฝนขาดเม็ดค่ะไอ้นัทก็เลยเปิดลังแล้วก็หยิบปลาทรายขนาดข้อมือมาหลายตัวยัดใส่ถุงก่อนส่งให้ลุงเจ้าของกระตอ๊อบลุงยิ้มรับก่อนปฏิเสธแล้วก็บอกว่าโอ้ยลุงกินจนเบื่อแล้วลูกๆเอาไปฝากคนที่บ้านเถอะนะจากนั้นคุณเด่นกับคุณนัทก็ยกมือไหว้พร้อมกับกล่าวลาแก่ค่ะ สองคนนี่ก็เดินคอนลังโฟมออกมาอย่างทุลักทุเลเพราะว่าไอ้สองแบนเจ้ากรรมเนี่ยเริ่มทำหน้าที่ของมันซะลิ้นแข็งดวงตาร้อนผ่าแล้วก็พูดเฮ้ยกูลืมห่อยสูปว่ะ ไอนัดพูดดังออกมาอย่างกับว่านั่นเป็นสิ่งทรงคุณค่ามากมายสําหรับมันเออทิ้งไว้ถเถอะเผื่อลุงกระดูดกูขี้เกียจเดินกลับแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อเอาผมกล่าวเราถึงบ้านกันโดยสวัสดีภาพพร้อมกับอาการมึนเมาของเหล้าเพียวๆที่ออกริ์เต็มเหนียวนะคะหลังจากนั้นอีกอาทิตย์หนึ่งค่ะเวลาว่างของวันหยุดหรนสาก็มาบรรจบผมกับนัดก็ไปตกปลากันที่เดิมเนื่องจากเที่ยวก่อนเนี่ยเราขายปลาทรายโลละร20ได้ร่วม10บกิโล ส่วนไอตัวที่ไม่สวยก็เอาไว้แกงกินได้อีกหม้อใหญ่ๆเราออกจากบ้านช่วงบ่ายสามโมงเช่นเดิมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราเอาเบ็ดไปเองแล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ขับขึ้นทางภูเขาที่เลาะเรียบชายหาดตลอดเส้นทางลูกรังบนภูเขาที่สูงชันก็จะมีผ้าสีแดงสีเหลืองสีชมพูโผล่ขึ้นมาจากพื้นถนนประปรายนะคะคุณเด่นบอกผมก็แปลกใจมากก็เลยถามไอ้นัทบอกว่าใครกันที่เอาผ้าสีมาทิ้งแบบนี้ อ๋อเด็กน้อยหรือทารกนะ่ะชาวเลเขาจะฝังบนเส้นทางนี้ซึ่งเขาเชื่อกันว่าเวลาใครผ่านไปผ่านมาเด็กจะได้เกาะไปด้วยเพื่อตามไปเกิดใหม่คำตอบที่ได้นี่เล่นเอาขนลุกเลยนะคะโห้ชายหาดฝังผู้ใหญ่พร้อมเบ็ดเพื่อทำมาหากินในโลกหน้าบนเนินบาอาบนเนินทางเดินฝังทารกไม่ว่าเส้นทางไหนนะคะก็ไม่พลศพคนตายเลยแท้ๆคุณเด่นคิดในใจทันใดนั้นเองค่ะ คุณนัดก็หยุดรถกระทานหันแล้วก็ชี้ลงไปตรงชายหาดบอกนั่นจุดที่เรายืมเบ็ดนัดพูดผมก็เลยชวนมันลงไปดูข้างล่างเผื่อจะเจอลุงที่เฝ้าสุสานแล้วก็จอดรถแล้วก็เข้าของไว้ก่อนจะพากันเดินลัดเลาะทางดินแล้วก็เงี่ยงหินลาดชันลงไปเบื้องล่างแต่ว่าแปลกนะ2คนพยายามหากระต๊อบหลังนั้นที่นั่งหลบฝนกับลุงแต่ก็ไม่เจอค่ะจนสายตาไปหยุดอยู่กับกองซากปลาที่เหลือจากมดแดงแล้วก็มแมลงวัน ใช่แล้วค่ะนี่คือที่ที่คุณเด่นกับคุณนัทคืนเบ็ดหันซ้ายหันขวาอยู่พักนึงก็นึกถึงเส้นทางของกระต๊อบออกก็เลยเรียกไอ้นัทมาที่คุณเด่นอีกทีนึงนะคะแล้วก็พาเดินต่อไปอีก20เมตรมันเป็นเพิงตเตี้ยคุณผู้ฟังมุงสังกะสีสาแผ่นกว้างแค่กว้างกว่าเพิงอื่นๆเนี่ยนะคะที่เรียงรายกันอยู่ตรงนั้น หน้าเนินดินใต้เพลิงเนี่ยก็จะมีคันเบ็ดผุๆที่ตัวเบ็ดเป็นสนิมกินไปจนหมดสภาพแล้วอีกทั้งเชือกที่พันกันกันกบคันนี่ก็เริ่มดุดลุย่ยมีตะเกียงที่ทําจากกระป๋องค่ะวางอยู่ข้างๆสนิมจากไอเกลือกัดกร่อนจนทะลุและข้างๆตะเกียงถัดอี ก, อกฟุดหนึง่งมีห่อยาสูบใบจากแดงๆที่เคยชุ่มน้ําของไอ้นัดวางอยู่เปราะไปด้วยดินค่ะที่กระเซน็นเพราะว่าแรงฝนเนาะ ผมรู้ได้ทันทีว่าคืนนั้นเราเจอกับอะไรก็เลยหันไปมองหน้าไอ้นัทขณะที่หน้ามันซีดเผือดแทบจะไม่ต้องกล่าวชวนกันอีกต่อไปคือต่างคนต่างจำา้ำอ้าวตะเกียดตะกายขึ้นเนินไปหามอเตอร์ไซค์แล้วกลับบ้านทันทีอวาสารแหลมชันพอกันที่เกาะซิเรผมบอกตัวเองขอบคุณคุณเด่นฟิวชั่นตวัดลายด้วยนะคะกับเรื่องราวที่ส่งเข้ามาทางเฟซบ o ๊กแฟนเพจพระเจอผี ถ้าคุณผู้ฟังมีเรื่องเล่าแบบนี้ค่ะสามารถที่จะส่งเข้ามาได้ที่ Facebook พระเจอผีของเรานะคะโดยการพิมพ์คำว่านะคะเป็นสัญลักษณ์แล้วก็ตามด้วยตัว P นะคะ P n d แล้วก็ตัว R ตัว A นะคะตัว J E R แล้วก็ตัว P โปแลนด์อีกครั้งแล้วก็ตัว E สองตัวนะคะ วันนี้หมดเวลาของพระเจอผีแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ขอบคุณเจ้าของเรื่องที่ส่งเรื่องมาให้บีได้เล่าเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังทุกๆท่านได้รับฟังด้วยกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ